เคยดูการบรรยายของศิลปินคนหนึ่งอันนี้ดูทางดูทูเป็นคลิปวิดีโอประมาณ20นาทีศิลปินนี้เป็นคนไทยเขาเคยเป็นอาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทย ก็สอนคนให้ลำลาไทยเล่นโขนตอนหลังเขาก็ออกมาแล้วก็มามามีอาชีพนะการการรําแต่เขาก็พยายามสร้างสรรค์ให้มันเข้ายุคสมัย ตอนหลังเนี่ยขอที่เขาเล่นก็ไม่มีไม่มีเครื่องแต่งกายอะไรเลยนะมีแต่ร่างกายลว้ลวนๆแล้วก็ไร้ลำคนก็ที่ชื่นชมก็เยอะนะคนที่ วิภาวิจาร์ต่อว่าก็มากมายหาว่าทำลายนะศิลปะไทยแต่ตัวเขาเองเนี่ยเชื่อมันเป็นการอนุรักษนะ์เพียงแต่ว่าแทนที่จะอนุรักษ์ด้วยการติดยึดกับรูปแบบ เขาก็พยายามที่จะไปให้ถึงเนื้อหาจับแก่นของอศิลปะไทยลำไทยให้ได้แล้วก็ส่วนรูปแบบนั้นก็เป็นเรื่องตามมาทีหลังลตอนนี้เขาก็ได้รับเาก็มีชื่อเสียงในต่างประเทศมากมายเพราะว่าเขา พยายามนคิดค้นพัฒนาท่าเต้นท่ารำซึ่งสำหรับฝรั่งก็ถือว่ามันสะท้อนความเป็นไทยแต่ว่ามีความเป็นสมัยใหม่เป็นไทยแบบสมัยใหม่มก็ได้รางวัลเยอะในเมืองนอกแต่ในเมืองไทยเขาก็ ไม่เคยเป็นที่ยอมรับเท่าไหรโดยเฉพาะในวงการนาฏศิลป์ไทยตอนนี้ก็ชื่อพิเชษกันชื่นอายุก็ยังไม่ไม่มากเท่าไร น, นะสี่สิบต้นต้นแต่ก็เริ่มมีชื่อในเมืองไทยแล้วเพราะว่าเขามามาเปิดแสดงในเมืองไทยนะอยู่หลายครั้งตอนหลังเนี่ยก็เขาได้ช่วยให้มาบรรยาย บรรยายก็ไม่นานยี่สิบนาทีรายการบรรยายนี่เป็นของเเป็นการบรรยายที่ผู้บรรยายก็ต้องยืนอย่างเดียวแหลนะไม่มีนั่งไม่ต้องยาวนะก็ก็าำนวนให้สิบแปดนาทีนาทีตอนแรกท่านที่แกมาพูดเรื่องลํำไทยเรื่องโขนเรื่องศิล ป, ปะ แวก็ชวนให้คนฟังเนี่ยแล้วแกถามคนฟังแล้วใครมีรองเท้าพ่อใบมัง่งก็มีคนยกมือหลายคนกขาบกว่าเนี่ยถอดรองเท้าพ้าใบถอดลองมาสักข้างหนึ่งถอดรองเท้ามาสักขัน้นแล้วก็โยนมาหาเขาซึ่งอยู่บนเวทีคนก็ไม่เคยกล้าเท่าไหร่ แต่เขาก็ชักชวนว่าให้โยลงขึ้นมาเลยเขาบอกว่าเนี่ยสำหรับวัฒนธรรมไทยเนี่การโยลงเท้าขึ้นบนเวทีนี่มันไม่สุภาพแต่มันก็เป็นมันเป็นแค่วัฒนธรรมเป็นแค่ความเชื่อเป็นเรื่องค่านิยมมันก็เหมือการ ตบมือนะตบมือก็เป็นแค่รูปแบบแสดงความเคารพแสดงความชื่นชมแต่ทำไมจะใช้ อ, อื่นไม่ได้เพราะว่าก็มีคนโยรองเท้าผ้าใบขึ้นมาเขาพูดไปสักพักเขาก็เอารองเท้าผ้าใบเนี่ยคค่นนั้นวางไว้บนหัวแล้วเขาบอกเนี่ย หลายคนเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้แล้วของเยาว์ซัวมันน่ารังเกียจเอารองเท้ามาวางบนหัวเพราะคนไทยถือนะรองเท้าทําไมเราถือว่ารองเท้าวางบนหัวไม่ได้เพราะเราเป็นของต่ําแต่ที่จริงมันก็เป็นแค่เป็นแค่ขั้นนิยมเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมในที่ก็หมายถึงความเชื่อ กาต่อเวลาก็ต่อเวลาที่พูดกเอารองเท้าวาบนหัวนหมือนว่าเป็นการพยายามที่จะท้าทายความเชื่อของคนที่ว่ารองเท้านี่วางไว้บนหัวไม่ได้และสิ่งที้กับพู่มันก็เป็นการพยายามที่จะท้าทายความเชื่อของคนว่า ของดีถ้เป็นอย่างงดเช่นตบมือก็ต้องเอามือตบแล้วก็ถามว่าทําไมเวลาจะแสดงความชื่นชมเราจะเอารองเท้าชูขึ้นมาไม่ได้ชู์รองเท้าขึ้นมาเพื่อการเป็นการแสดงความชื่นชมทำไมเราจะทำไม่ได้มันก็แค่ของเป็นเรื่องของวัฒนธรรม เนี่ยตลังแกก็แกก็เอาลูกศิษย์ให้มามาตอนท้ายๆนะอูกศิษย์ให้มารำนะเป็นลำแบบเป็นลำไทยสมัยใหม่นะซึ่งไม่เหมือนของเดิมนะแต่เขาก็มองว่ามันก็ อ, อธิบายามันมีความเป็นไทยอยู่แั้นต่อเวลาที่เขาบรรยายเขาก็พยายามพูดถึงเรื่องของการ เรื่องของค่านิยมความเชื่อซึ่งมันบางครั้งมันก็ครอบงามความคิดของคนเราไว้ทำให้ไม่สามารถที่จะออกมองออกไปได้มองให้มันพ้นให้มันเลยออกจากกรอบตอนจบันก็ตบมือหลายคนก็ ไม่ได้ตกมือนะแต่ว่าชูรองเท้าขึ้นมาฮะมีคนชูรองเท้าขึ้นมาเต็มโรงเลยมันก็ว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดแล้วก็อินกับสิ่งที่เขาได้นําเสนอก็เป็นการเป็นการพูดที่เรียกว่ามีพลังเลย แล้วก็ท้าทายความเชื่อของคนนั้นถ้าพูดอย่างพูดอย่างพูดคือเขาพยายามสอนให้เราพูดพยายามพูดเชื่อหเห็นถึงว่าคนเรามันติดสมมุตินะนสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเช่นว่ารองเท้าเป็นของต่ำไม่ควรจะโยนรองเท้ามาที่เวทีหรือว่าไม่ควรจะรองเท้ามาบนหัวเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่งาม อันนี้มันก็คือเรื่องสมมติเป็นเรื่องสมมติสมมติในที่นี้หมายว่าเป็นเป็นความคิดความเห็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแต่มันไม่ใช่ความจริงแท้ก็พยายามชี้เห็นว่าคนเรานี่มันไม่ควรถูกไม่ควรติ ก, กับสมมตินะ ยพยายามเชื่อไรว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อเป็นใบยญ้าเป็นความดีเป็นความงานเป็นเรื่องสมมุตินะข ย, ยายความเชื่อว่าถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยใครพูดดีก็ตบมือแต่เมืองไทยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นในวัดก็กสาธุสาธุกับตบมือมันก็เป็นเป็นรูปแบบ เป็นรูปแบบที่มันสะท้อนถึงสิ่งที่มันเป็นนามนธรรมก็คือความชื่นชมแต่ในบางที่เนี่ยการชื่นชมก็แสดงออกด้วยการตบมือในบางที่การการชื่นชมก็แสดงออด้วยการเปล่งวาจาสาธุนี่เป็นเรื่องสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุติ แต่ว่าคราวนี้ปัญหาคือคนเราก็ติดสมมุติมากแล้วใครที่ไม่แสดงออกแบบนั้นอย่างที่ตัวเองยึดติดเนี่ยเราก็อาจจะไม่ชอบขึ้นมาอย่างเช่นเนี่ยที่เขาพยายามพูดคือเนี่ยคนก็ติดกับที่กับวัฒนธรรมไทยหรือลําไทยว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ต้องมีการตั้งวงลําจี ต้องใส่แล้วก็ต้องใส่เสื้อผ้าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นโขนก็ต้องมีมีมีเครื่องแต่งกายอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่ใช่โขนไม่ใช่ลำไทยอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นความคิดที่รับแคบซึ่งมันก็เป็ น, พนเพราะคนรอนคนส่วนให ญ, ญ่ติดในสมมุติ ติดในรูปแบบติดในรูปแบบพติดรูปแบบนเนี่ยนะมันก็ไปพัฒนาต่อไม่ได้ทำอะไรก็ต้องให้พ้นจากรูปแบบไม่ได้ถึงแม้ว่าเนื้อมันจะยังเหมือนเดิมแต่ว่าไม่สามารถจะพัฒนารูปแบบใหม่ๆได้เขถ่านี่ไปปัญหาของของเมืองไทยมากเราติดในรูปแบบ จนบางทีลืมเนื้อหาสารละทีนี้เราก็เป็นเยอะนะแม้ระทังในวงการพุทธศาสนานก็มีรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นของใหม่นะแต่ว่าคนก็ยึดติดว่ามันเป็นมันเป็นพุทธหรือว่าต้องควรทำถ้าไม่ทำก็ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเช่นมาวัดต้องลุ่งขาวห่มขาว จะมาปฏิบัติธรรมก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวหรือบางทีก็ต้องอนุ่งผ้าผ้าถุงเดี๋ยวนี้เราไปเห็นเนี่ยในว่าต่างๆนี่ก็จะเห็นญาติโยมโยมในเมืองนี่นุ่งขาวห่มขาวถ้าใครไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวก็อาจจะถูกมองด้วยสายตาที่ดูถูกหรือว่า สายตาที่ตําหนิว่าเนี่ยไม่รู้หรือว่ามาวัชก็ต้องนุ่งขาวหอมขา ว, ว, ขาวที่จริงอันี้มันก็เป็นทำเนียมที่พึ่งพึ่งมีนะสมัยก่อนคนมาวัช ก, ก็แค่แต่งตัวสุภาพก็พอแต่ทำเนียมนี้มันก็คนเมืองก็ค่อยสร้างขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาแล้วก็ยึดติดอันนี้ยึดติดแล้วเนี่ยมันก็มันก็ดีมันก็สวยงามมันก็เป็นระเบียบ ด, ดีแต่ว่า พอคหนหนึ่งไม่ทำตามก็จะก็จะตำหนิเขาอันนี้ก็ทางที่จริงพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่พยายามให้คนเนี่ยนะรู้ทันสมมุติแล้วก็ก้าวข้ามมันให้ได้ไม่ยึดติดมันแต่ว่า เราพูดเราพอพออยู่ไปอยู่ไปนานไปนานไ ป, นานไปก็ก็ติดสมมุตินะที่สร้างเนเอ์มากมายเคยมีอย่างเช่นเราคิดว่าเนี่ยจะต้องความสุภาพเรียเร้ก็ต้องนั่งพับเพียบ น, ยนั่งพับเพียบ ไอ้ข่าเหนียวนีก็แพร่ไปถึงลาวไปถึงขเขมรคนขเขมรนี่เขาก็มีความเชื่อเหมือนกันนะว่าจะนั่งสุภาพต้องนั่งพับเพียบมีเคยมีขเขมรคนหนึ่งมาเมืองไทยมาที่นี่ก็ตกใจนะญาติโยมเวลาฟังธรรมเนี่ยนั่งขัดสมาธิเขาเสือไม่สุภาพเลย แต่คนไทยเนี่ยคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ถือแล้วเรื่องการนั่งขัดสมาว่าเป็นเรื่องที่น่าเกลียดหรือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนั่งขัดสมาก็ได้ทั้งนั้นแต่คนคเขมรก็ยังถือเรื่องนี้มากคนไทยไม่ถือเรื่องขัดสมาแต่ว่าก็ถือยังถือเรื่องคท้าอยู่นะ เช่นท่านนั่งเนี่ยแล้วนั่งกับพื้นแล้เอาเท้าชี้มาที่ผู้ใหญ่หรือที่พระพุทธรูปนี่ก็ถือว่าไม่เหมาะสมทําไม่ได้แบ่ฝรั่งเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรพอมานั่งพื้นนั่งพระเพียมนั่งสมาบลําบากก็นั่งแบบยืดขายื ด, ดขามายังครูบาจารย์มั่งยืดขามายังพระพุทธรูปบั่งคนไทยก็มองก็ตําหนิ ว่าอย่างนี้ไม่เหมาะสมอันนี้ถ้ามองว่าเป็นแค่มารยาท ก, ก็ก็โอเคนะแต่ถ้าไปยึดติดว่านี่มันเป็นสิ่งที่แย่สิ่งที่เลวนี่ก็ไม่ใช่เพราะมันแค่มันก็เป็นแค่สมมุติมันเป็นเรื่องแค่มารยาทซึ่งมันก็มีทั่วไปเราไปต่างประเทศหลายอย่างที่เราทํามันก็ไม่เหมาะ แต่เราก็ส่วนเป็นเรื่องธรรมดาในเมืองไทยไปเมืองนอกขับรถนะอา จ, จใช้แต่บีบแต่กันเป็นว่าเล่นนะแต่ถ้าเป็นยุโรปนี่เขาถือมากบีบแต่เนี่ยในที่ที่มันเป็นโรงพยาบาลเป็นที่โรงเรียนเขาไม่บีบ ก, กัน แต่ถ้าบีดแต่เวลาลงเขานี่ถือเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นในอีสานอย่างเช่นบ้านเราเนี้บีดแต่เวลาขึ้นเขาลงเขาก็ถือเป็นเรื่องที่ดี mm. เพราะว่าเป็นการแสดงการอเหมือนกับคารวะเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าเทวาอารักษ์จะลงเขาทีนึงก็บีดแต่แต่ถ้าเป็น ในเมืองบีแตนนี่แปลว่าดา่าไม่ไม่ได้เป็นการแสดงความเคารพ บ, บางทีการค น, คนเราเนี่ถ้าเราไม่ได้คิดค่้ยควรมากๆนกีมันก็มันก็ติดสมมุตินะสมมุติที่มีประโยชน์นะ มันเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันหรือปฏิบัติร่วมกันแต่ว่าถ้าเราติดมันมันก็กลายเป็นเหมือนกับกรอบที่ครอบเราไว้ทำให้เราเนี้ยไม่สามารถที่จะยอมรับสิ่งที่มันไม่เหมือนกับกรอบนั้น ทั้งนั้นที่เขาก็อาจจะแสดงความมีความเคารพเหมือนเราแต่เขาแสดงออกด้วยวิธีการหรืออากับเกลียที่แตกต่างกันแล้วก็หาว่าเขาดูถูกอย่างเช่นหรังเนี่ยการยืนค้ำหัวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนไทยมอไม่เคารพแต่เขาจะบอกเขาเคารพนะแต่เคารพแบบของเขา เขารกแต่ก็ยืนคำหัวเพราะการแสดงความความเขงารคเข้าแสดงออกวิธีการที่แตกต่างกันด้วยรูปแบบที่แตกต่างกั น, นการที่ไปยึดติดในสมมุติมก็ทำกันทำกันในหรือปฏิบัติกัน ด้วยวิธีการที่หลากหลายบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของมารยาทนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการเช่นชาวาพุทธเราเนี่ยเราเชื่อว่าทาบุญนี่ก็ต้องมีการกรวดน้ำ กวดน้ำยังได้บุญหรือว่าจะอาที่สมบุญไปให้อันนี้ก็เป็นคนก็ไม่ค่อยเชื่อมันเป็นแค่สมมุติหรือว่ารูปแบบนะเป็นแค่อุบายหลายคนมิพอถ้าไม่มีน้ํำกวดนี่ก็จะรู้สึกไม่สบายใจทนะั้งที่จริงๆแ้้วอยู่ที่ใจนะไม่มกวดน้ําใจน้อมนึกไปก็ได้น้อมนนึกที่สมบุญไปให้ผู้ที่ร ล, ล่งรับหรือใครก็ได้ เวลานั่งสมาธิก็ต้องต้องนั่งขัดสมาดหลับตาถ้าทําอย่างอื่นก็ถือว่าไม่ได้นั่งสมาธิในสาพุทธเทียนเนี่ยแต่ภาวนาก็ต้องก็ต้องหลายคนก็ถือว่าต้องสร้างจังหวะแต่จระเสติก็ต้องสร้างจังหวะ หรือเดินจงกรมใครที่ไม่สร้างจงังหวะไม่ได้เดินจนไม่ได้สร้างไม่ได้เดินจงกรมเขาก็คิดว่าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญสติบางทีไมไ่แค่ชิดเฉยเฉยบางทีคิดตำหนิหรือมองด้วยสายตาตำหนิว่าทาไมเธอไม่สร้างจงังหวะหลายคน เวลาฟังธรรมก็ฟังนั่งฟังนั่งฟังเฉยๆไอ้คนข้างๆก็สร้างจังหวะไปสร้างไปสร้างไปก็เลมาที่คนที่นั่งข้างๆาทำไมไม่สร้างจังหวะพอแสดงธรรมเสร็จนะทำวัดเสร็จอนะ่ะก็พูดตำหนิว่าทำไมไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็คือไม่สร้างจังหวะนั่นเองอันนี้เราติดสมมุตินะ ติดสมมติติดรูปแบบหรือว่าติดวิธีการว่าต้องทำอย่างนี้ทั้งที่การเจริญสตินี่มันทำได้ตลอดเวลาไม่มีรูปแบบอาบน้ำถูฟันกวาดื้นล้างจานก็เจริญสติได้ พอให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็หรือว่าตัวอยู่ในใจอยู่นั่น เ, นเมื่อใดก็ตามทําให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวก็ถือเป็นการเจริญสติเป็นการสร้างของสุขตัวนี่พอไปติดรูปแบบเนี่ยมันก็เรียกว่าศรรลิลปะตปรามาเสิลปะตัปรามาคู่ง่ายๆคือเป็นการยึดติดในรูปแบบหรือยึดติดในวิธีการว่าทําอย่างนี้อย่างนี้จึงจะได้ผล หรือถ้าถึงที่สุดคือไปยึดว่าเนี่ยต้องทําอย่างนี้อันนี้จึงจะเข้าถึงนิพพานหรือพ้นทุกข์ได้แต่พ้นทุกข์เองอะไถ้ามันยังมีความยึดติดมันก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้ตราบใดที่มีความยึดติดอยู่แ ล, แล้วคนเราเนี่ยก็ยึดติดมากมายยึดติดทั้งรูปแบบยึดติดทั้งวิธีการ รวทั้งยี่ในความเชื่อให้สมมติที่มันบางยามก็เราก็สามารถเข้าใจได้ง่ายนะด้วยการใช้ความคิดว่ามันเป็นเรื่องของนานาติดตางเป็นการเคารพหลายที่บางประเทศแฝงความเคารพด้วยการโค้งบางที่แสงความเคารพด้วยการ พนมมือไหว้บางที่แสงคอาเคารพนะด้วยการสัมผัสมืออันนี้เราเข้าใจง่ายว่าเออมันเป็นเรื่องของนานาจิตตังเข้าใจเห็นได้ชัดแล้วนี่เป็นเรื่องสมมุติแต่บางอย่างมันสมมุติมันบางคนบางอย่างเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเช่นการที่มองเห็นว่า สัตว์ตัวตนบุคคลเราขอนี่เป็นสมมุติไอความที่วราตัวฉันนะีเป็นสมมุติคนกับสัตว์นี่เป็นสมมุติอันนี้เข้าใจยากในก่อนในขอนี่สมมุติมันไม่มี้วยซ้ำนนะ มันมีแค่รูปกับนามอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเข้าใจจนกว่าจะปฏิบัติพอเข้าใจและพอปฏิบัติจนเห็นแง้งในความตื่นก็จะรู้ว่ามัน ม, มีในกรในขอมันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่ธาตุคนกับสัตว์ก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ก็เป็ น, นก็เหมือนกันนั่นแหละ โดยแล้วแต่ปร ะ, ประกอบ ด, ด้วยขันห้านะสิ่งที่เรียกว่าเรากับสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติภายนอกมันก็อันเดียวกันเป็นศักวาธาอย่างที่เราสวดเนี่ยนะท้าวตุปัจเจเวงเนะี่ยสิ่งเหล่านี้นี่เป็นศักวาธาตามธรรมชาติเท่านั้นนะ มันแต่เปลี่ยนไปมันก็ต้องเสือ่อมต้องเท ต, ต้องเน่าไปอันนี้มันต้องกับอาศัยการปฏิบัติแต่สมมุติในระดับที่มันห ย, บยาบๆไปแ้วเนี่ยใช้การคิดเอาได้เช่นความเป็นไทยกับความเป็นพมา่าความเป็นจีนเนี่ยมันก็เป็นสมมุติถ้าไปเกิด ในพ ม, ม่าก็เรียกว่าเป็นพ ม, มา่าถ้ามาเกิดในเมืองไทยก็เรียกว่าคนไทยนะแต่คนพอไปยึดติดนะว่าฉันเป็นไทยแกเป็นพ ม, มา่าเป็นคนละพวกกันก็อาจจะเป็นศัตรูกันได้อันนี้เราพิจารณาดูมันเป็นเรื่องสมมุตินะแต่ว่าถ้าไม่พิจรารณามก็ไปยึดติด แล้วก็ปฏิบัติต่อกันด้วยความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์หรือว่าไม่ใช่มิตรอันนี้เป็นสมมติที่คนยึดติดกันมากแล้วก็มันสร้างความสร้างความเดือดร้อนไม่ไม่ใช่น้อยข้อดี ก, ก็มีนะไอ้ความเป็นคนไทยมันทำให้คนที่เกิดหรืออยู่ที่ ขอนแก่นกับคนที่อยู่พัางงานนึถือว่าเป็นพวกเดียวกันสมัยก่อนนี่มันไม่มีนะคนไทยไ ม, มันไม่มีไม่มีเพราะว่าคนไทยไมีแต่มีแต่คนสุพรรณคนราบบุรีค น, นวิทยา <c oughs> คนเชียงใหม่เมื่อร0อปีก่อนมันมีแค่นี้แหละั้นคนราบบุรีกับคนสุพรรณก็อาจจะคเขม่นกันคนราบบุรีคนเชียงใหม่ก็เขม่นกัน แต่พอมันมีมันมีประเทศไทยขึ้นมารู้สึกว่าเราเป็นไทยคนที่ลาบเรียคนที่เชียงใหม่ก็เลยสือเป็นพูกเดียวกันแต่ข้อเสียคือมันทําให้รู้สึกว่าเป็นคนเราพวกลับคนที่พมา่าคนที่ลาวคนที่เขมรนี่คือเราแต่เรื่องนี้มันเข้าใจได้นะถ้าเราใช้ันใช้เหตุใช้ผลวิจารณาก็รู้โอไมนสมมุติ เมืกที่เราถ้าเราใช้เหตุผลพิจารณาก็จะรู้ว่นไอการตบมือกับการการชูรองเท้าขึ้นมานี่มันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แม้ว่าในแง่อาจจ ะ, จะตะกี้ตะขวงวนะ่ยชูรองเท้านี่มันมันจะดีตรงไหนเพราะเท้าเป็ น, อปนอรองเท้าเป็นของต่าแต่ความชูรองเท้าเป็นของต่าก็เป็นสมมุติที่จริงมันมีความสำคัญกับเรามาก าะหลังก็ไม่ถือว่าเท้าเป็นของต่ำ เ, เพราะเขาไม่ไถูกสอนยอย่างนั้นเราถูกเราหมอท่าเป็นของต่าเพราะเราถูกสอนมาไอสิ่งที่สอนนี่มันก็เปลี่ยนได้ลืมได้นั่นจะใช่ผลนี่การตบมือกับการชูรองเท้าก็ไม่แตกต่างกันการวางดินสอยบนหัวการวางรองเท้าบนหัวก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ อันนี้เราใช้ความคิดพิจารณาได้ก็เห็นว่ามันเหมือนกันแต่เรื่องสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานี่อันนี้คิดอย่างเดียวไม่พอนมันต้องปฏิบัติจนกรทั้งเห็นเห็นว่าออมันสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นแค่สมมุติการปฏิบัติเท่านั้นทาให้เราเห็นความกิจขั้นปรามะก็คือมันก็เห็นความกิจเพราะทั้งหมดมนก็เป็นอรูปกับนาม แล้วรูปนามก็ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้ความทุกข์เรนอย่างนี้เข้าก็จะพบวะโอ๊โลกก็คือทุกข์นั่นเองมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นอันนี้ก็เห็นความจริงเรื่องของรูปนามเรื่องของธาตุเรื่องเรื่องการสมมูลเรื่องสมมุตินี่ก็เป็นอันนึงที่เรต้องทำความเข้าใจนะ พยายามรู้เท่าทันมันแค่ไม่ให้เป็นประโยชน์อย่าให้มันมาเป็นนายครอมนําเราแล้วก็พยายามรู้เท่าทันจนึ่งที่สุดนะจนถึงขั้นที่เรียกว่าพอรูถึงปรัมมัดอันนั่นแหละก็ช่วยทําให้เราช่วยทําให้เกิดความนําไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ถ้าเรียกพุทธทนนี้นะครับ